ทัศนะสู่ธรรมเรื่องธรรมชาติของรู้โดยอาจารย์โกวิตอเนกชัยเขมานันทะพุทธศก ร, ราช2526หลายคนมีปัญหาที่นำพิษณ์รู้หรือไม่เป็นหม ด, ร, มหมดรู้อะไรกัน ประกร า, ากรที่เรายังยุโตัวเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรื่องสติในการกำหนดรู้หรือว่าให้มันรู้เองก็เพราะว่าอย่างนี้การงานของสมองกับประจมันยังยึดยังที่ฉับคือมันยังสเปกสเปกอยู่ อะไรก็ตามทั้ า, ารรู้และไม่รู้นี่เองคือคุณลักษณะของจิตจิตนั้นจะเรียกว่ารู้อะไรตลอดเวลาไม่ได้มันทั้งรู้ทั้งไม่รู้นี่เองมันเป็นธรรมชาติของแต่ดังนั้นในการเจริญสติกตอน น, นก็คือให้ธรรมชาติของการรู้และการไม่รู้นี่รู้แล้วก็ไม่อาจรู้นี่ ได้ทำหน้าที่มันอย่างไม่รู้จบซึ่งสมมติวจิตรเราไปกาหนดรู้ขึ้อนอย่างนี้เป็นการสร้างจุดถูป้าขึ้นซึ่งจะสร้างปัญหาให้ทำไมดังนั้นจะต้องให้มันรู้เองเราก็มีหน้าที่เพียงแต่ถนักเคลื่อนไหวให้อยู่ในท่าทีของการตื่นตัวกันไม่ให้ความง่วงนอนหรือไม่วอร ควางง่วงความทอแท้เข้ามาเพราะนั่นเองเรามีหน้าที่เพิ่มมาแส่วนหน้าที่ที่จะรู้หน้าที่ที่จะไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าเมื่อมันไม่รู้มันก็ไม่รู้แล้วจะให้ย้อนมารู้ในช่วงที่มันไม่รู้ก็ไม่ได้อีกดังนั้นเมื่อมันไปย้อนรู้มันก็รู้พ้นช่วงที่ไม่รู้มาแล้วเข้าใจไหมคําคพูดอันนี้มันสับสนมาก คือเมื่อมันไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเมื่อรู้ก็รู้แล้วดังนั้นทั้งที่รู้แล้วและทั้งไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีเรื่องอต้องยุ่งกับมันด้วยครับเรามีหน้าที่ที่จะประคอง่ตามต่อเรื่องของความตื่นตัวนี้ความตื่นตัวนี้เพื่อจะให้มันทํำหน้าที่ที่ควรทำดูกว้างๆรูปกว้างๆครับความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่ชั้นประทถมจนเดี๋ยวนี้ ถ้ามันไม่ลื ม, มป่านนี้เราหัวระเบิดเลนีมันทั้งรู้ทั้งไม่รู้ผลมันอยู่ทิ้งคนลืม <c oughs> ถ้ามันจะมีสิ่งที่จาเป็นมากในการที่จะช่วยเหลือเพื่อกูนประคับประคองให้ตัวเราเนี่ยได้กระทำ ตัวให้เป็นภาชนะที่ดีท่านั้นปฏิบัติธรรมานี้ไม่ใช่เพื่อจะให้ได้อะไรแต่เพื่อให้อะไรที่ไม่รู้ไดแสดงดวเท่านั้นเรากราสามารถเพียงแต่รับรู้ว่ามันมีสภาพทั้งรู้ได้ทั้งรู้ไม่ได้นนในตัวเราดังนั้นเมื่อใดที่เราไปสร้างสติขึ้นมากำหนดรู้การเคลื่อนที่มือ ทันใดนั้นนีคับเราสร้างอุปสรรคให้ทการทำหน้าที่ของชีวิตเเหมือนกับเราไปตั้งเป้านบทสรุปใดๆที่เราตั้งไว้นี่ยในเบื้องต้นมันจะเป็นพลังปลักดำให้เรากระทำเพื่อมุ่งก้าไปหาจุดหมายแต่ในตรงกลางนี่ัพลังนี้จะเกิดเป็นแรงหมุนเคลื่อนชนิดที่ก็หาย จุดมุ่งหมายอื่นอีกเข้าใจไหมเรามุ่งเข็มไปที่นั่นพอไปถึงด้วยแรงผลักดันมันนั้ น, น, นมักต้องการในจุดหนึ่งที่เรามักจะเรียกว่าตัณหาตัณหานี้เราไปกําหนดจุดขึ้นมาจึงมีตัณหาสมมุติว่าเราไม่มีจุดเมื่อไม่มีจุดชีวิตก็เริ่มเป็นไปเองตามเรื่องสิ่งเพิ่งรู้ก็รู้สิ่งเมืเพิ่งรู้มันก็ไม่รู้ มันจะไปรู้มันจะไปรู้ทำไมเมื่อมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรู้เมื่อไปรู้สิ่งที่ไม่ถึงรู้มันรู้ไม่จริงเพราะมันไม่มีเมื่อไปสร้างสิ่งไม่มีให้มีเมื่อมันรู้ไม่จริงมันสงสัยสงสัยก็กระหายที่รู้ก็เกิดเป็นปัญหาเป็นการแสวงหาอะไรของเราเราจะมักจะไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรเพราะตัวความต้องการเองเป็นตัวสับสนเสเอง แต่ดังนั้นคําตอบจึงไม่มีเราจึงได้ยินตัวเราตะโกนว่าเออผมไม่รู้ว่าผมต้องการอะไรกันกรเพราะตัวความต้องการนี่เองมันมันสับสนอยู่ในตัวมันเมืม่อความต้องการแล้วมันจะไม่รู้ว่ามันมันจะไปจบสิ้นที่ใดในแงนะ่จิตวิญญาณเนี่ยคุณจะชี้ให้เห็นวนะ่า การความปรารถนาจะยังคงมีเรื่องแรงอยู่เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเมื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงจงโดยตัวองรลองจริงความต้องการที่จะให้เป็นอื่นจะไม่มีเพราะความต้องการที่ให้เป็นอื่นเป็นการไม่เห็นตัวจริงของมันเมื่อเห็นตัวจริงแล้วนี่ครับตัวจริงอันนั้นจะทําให้เราพ้นจากความรู้สึกปกติทั้งหลายน่าเกลีย อย่น่ารักการเห็นตามเป็นจริงจะทำให้ไปพ้นจากอคติมันน่ารักเราชอบมันรือน่าเกียโดยย่อแล้วโดวยหลักการในการปฏิบัติทํามเจะถือ่เป็นเก้าสำคัญของมนุษย์มนุษย์ได้เก้าพ้นอคติทุกิย่งคือไม่เอาความชอบหรือความไม่ชอบมนเป็นหลัก ในการมองที่ตัวเองเรามักจะมองในแง่ที่จะยกยอตัวเองหรือเหยียดตัวเองการสุรบปรบมือนี้เป็นเป็นสุดทิ้งตัวเราเรามักจะมีชีวิตเรียกว่าเกลียดตัวเองเบื่อตัวเองหรือแม้ก็ชมตัวเองบ้าตัวเองหลงตัวเองและทั้งหมดนี้เป็นรูปของความคิดเพราะตัวเอง ก็คือพ่อพศถึงของใครกันหนึเราคิดขึ้นมดฉันเป็นใครกันหนึการเิ่งงตัวเองก็ดีหนระือการหยีบตัวเองก็ดีนะไม่อาจจัดการเป็นการปฏิบัติธรรมได้เรามักจะได้ยินอย่า มองคนอื่นก็าเป็นผู้อื่นทาผิดให้มองตัวเองนี่ททำผิดใช่าหครับอย่าคิดว่าคนอื่นมีปัญหาให้มองตัวเองมีปัญหาที่จริงอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะถ้ามองเข้าไปที่ตัวปัญหาแล้วโดยข้อที่จริงนั้นหนึ่งที่ว่าเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นตรงๆตัวผู้เห็นนี่จะไม่มีผมพูดในภาษานี้บางท่านอาจจะนึกว่าเป็นรหัส อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่บุคคลพึงกระจกะนั้นเองไม่จะเป็นเรื่องตีความไม่ใช่ป ร, รัียงดันที่ผมพูดอันนี้ที่ก่อนเช้าในการเห็นของเรานี้เราจะคิดด้วยคิดมันคิดแล้วมันก็เห็นดาวนี้มันคิดแต่มันการเห็นนั้นเป็นเพียงผลของความคิดแต่แต่ผมมีความคิดปิดๆการเห็นของ ม, มันจะจะปิดไปทันทีเลย การเห็นในนี้ไม่นด้หมายถึงเปล่งตาตานี้ไม่มีปัญหาอะไรการเห็นคือทัศนะเช่นทัศนะต่อบุคคลคนนี้มันขึ้นูาว่าผมคิดเยอะอย่างไรในใจด้วยแต่ผมคิดและผมก็เห็นคนคนนี้ดีคนัวนี้เลยที่การเห็นที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีทัศนะการเห็นชัดๆโดยไม่มีทัศนะเลย ไม่มีความคิดเอ็มอื่นใดไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่มีการให้รางวัลไม่มีการเพิ่มโทษมันมีแต่การประสบเฉยๆไม่มีถ้อยทคำใดที่ปลุกขึ้นในใจว่าดีชั่วตรงนี้เรียกว่าการเห็นดังนั้นในการเห็นนี้ไม่มีทัศน์นะที่เราไม่เคยเยิน เราเคยเรียนเด็ตัวภาคธิษฎีสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยึดอันนี้จริงแล้วก็ เ, ท, เ, เที่ยวมองเห็นใบไม้เหลืองหล่นมาอ๋อมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นเรื่องคิดขึ้นถ้าคือเรียนอยู่ที่นี้จะไม่มีวันประสบเพราะเมื่อตอนประสบก็คือการที่ได้ทิ้งสิ่งที่เป็นมีนเป็นมีดีมออกหมดหรือเป็นการประสบ ประสบการณ์ตรงๆประสบการณ์ตรงๆจากภาย น, นอกก็ไม่สู้อะไรนะแต่ประสบการณ์กับความคิดตรงๆดังที่ผมเล่าตอนเช้าเห็นพอคิดวุ่นวุ่นไปจากการเห็นมันก็เห็นอีกทีหนึ่งแต่เป็นการเห็นความคิดเมื่อพูดถึงตัวประสบการณ์เรามักจะเข้าถึงจิตฝันคิดว่าเราเคยมีประสบการณ์ ครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์อันนี้เป็นความจําเกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งไม่มีร่องรอยของประสบการณ์อีกแล้วผมคิดวาสิบปีเขาไมรู้จักคนตัวนี้เขาทำให้สมโกรกนากเจ็บมากแผมนึกขึน้นนี่มันเป็นประสบการณ์ชั้นสองซึ่งเป็นแบบจําลองสร้างและเป็นปัญหาเพราะตัวประสบการณ์นั้น ถ้าได้ประสบจริงๆมันจะไม่จําแต่ถ้าการประสบนั้นไม่เต็มที่มันจะหลงเหลือเป็นความจําและความจําจะตกเปนฝักฝ่าของแง่บวกหรือลบชอบหรือไม่ชอบผมพูดอย่างนี้สำหรับบางคนที่เข้าใจคนอา จ, จะงงเพราะต้องการภาคปฏิบัติก็มีข้อเท็จจริงอันหนึ่งครับแต่ถ้าเราพูดกันหมด สิ่งที่พูดนี้จะกลับกลายเป็นกุศลที่เพราะเมื่อเดินมันจะเดินภายใต้คําพูดอย่างนี้ก็เดินตบเท้านะเอ๊เขาพูดอย่างนี้สูงไหมเขาลองดูดมันก็คิดแล้วก็ทำแบบ น, นี้เราต้องทําให้ไอ้ตัวการของความอ่ารู้ตัวออกหน้าให้ตัวนี้มันออกหน้าและความคิดจะตามตามหลังไม่ใช่คิดแล้วรู้สึกให้มันรู้สึก ให้มัรู้สึกตัวควมคิดความคิดทุกความคิดจะจบขึ้นลงทุกความคิดทุกความคิดจะปรากดสดๆแล้วก็จบลงมันจะไม่จําดังนั้นถ้าทําเป็นเส้นทางมันจะไปข้างหน้านี้เรื่อยคมันไม่วกกลับ <c oughs> ความจําเกิดขึ้นที่หนึ่งนบุคคลสเสรษฐอารมณ์ใดรู้สึกในเรื่องไรเนี่ สุขก็ตามทุกข์มันจะจมจำอารมณ์นะพอเป็นสุขมันก็จําสุขทุกข์ก็กจําทุกข์เมื่อจําสุขจําทุกข์แล้วเนะมันก็คิดถึงสุขคิดถึงทุกข์คิดป็นสุขป็นทุกข์มันก็วนเวียนกลับไปสู่สุขทุกข์ก็จำหนะึ่งชีวิตของเราดินฟ้าเป็ น, นการหมุนย้อนอย่างนี้ทำท่าจะไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับหลังกี่ปีกี่ปีเราจะเป็นอยู่างนะ ส่วนการหาประสบการณ์สดจๆร้อนนะครับกับการเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการไม่ใช้กระบวนการความจำเลยการที่จะไม่ใช้กับการภาระหนักของเราอสไรครใช่ไหมครับเพราะความจำได้กลายเป็นนายของเราเราสติอ่อนตกเป็นทาสของความคิดนึกความจำ การเพิกถอนการไม่ใช้กลับเป็นงานหนักงานซึ่งยุ่งยากคล้ายๆเราจ้างคนใช้คนสนมาไม่สุดมันมีอำนาจเหนือเราจะบอกเลิกไม่ให้มันเดินมันไม่ได้เสรแล้วมันมีอำนาจบีบเราเสร็จแล้วดังนั้นเองอในการจเชิญหน้ากับตัวเราหรือสำรวจตัวเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่เองเป็นการเรียนรู้ความทุกข์ยากของมนุษย์ ที่ได้ตกเป็นทาดของความคิดของอารมณ์เรามาปฏิบัตินี่เพื่อรู้จักทุกข์พระพุทธได้หวังจะได้รับความสุขของที่เ า, าพลาดจุดหมายสำคัญเรามานี่เพื่อเป็นทุกข์แทนให้มาเดินจงกรมให้มานั่งให้มันรู้ทุกข์แต่เมื่อรู้ทุกข์กันนี้แล้วมันจะมีข้อดีเกิดขึ้นตรงจากความรู้จัก ทุกันนี้ครัทุกันอื่นทุกเล็กๆมันจะตกปัดสภาพทุกันนี้เรียกว่าอย่างไรสภาพทุกคือสภาพที่เราต้องทนเราสังเกตเราเห็นเราเราต้องทนนั่งทนมีชีวิตอยู่ทนหายใจเข้าหายใจออกเป็นสภาพซึ่งต้องทนต้องแบกบต้องหามท่านเรียกว่าขันท่าเลยคือนกอง เราก็ต้องพาร่างนี้มันหิวมัต้องกินขึ้นไหวนั่งลุกยืนเดินนอนแต่ถ้าเราดูโดยง่ายของความเป็นภาพพดอย่างนี้นะครเราก็เห็นเหมือนภาพภาพยนต์คนมันยืนเดินนั่อยแต่ดูอย่างนี้ยังไม่ชัดแต่ถ้าย้อนมาดูที่ตัวจริงเนี่ยมันลุกมันเดินมันยืนมันนั่ ง, งเราจะรู้สึก คือสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องผลักดันหยุดเงียกคิดพูดเราจะเริ่มเห็นทั้งหมดมีตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงคือการเห็นแบบประสบไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ทฤษฎีเลยอย่างตอนที่เรานั่งเราไม่ได้คิดขึ้นในมันนั่งก็นั่ง แต่พอความคิดอันหนึ่งเกิดมันก็ลุกเราก็เห็นข้อต่อนี่ครับจากอรียบทหนึ่งมันเลื่อนไปสู่อริยมรรคหนึ่ซึ่งคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้สังเกตให้ดีจะไม่เห็นครับพราะความคิดมันมาเร็วแล้วอย่างฉับพลันดันหนุนมันจะลุกพลดพลาดเดินไปห้องน้ำแ้วกลับมาคิดทั้งหลายเนี้ยเขาไม่รู้ตัวซึ่งการไม่รู้ตัวนี้ก็นับว่าดีนี่การรู้ ถ้ามันรู้ขึ้นเองก็นับวันดีจากสภาพจริงอันนี้ครับเราจะเข้าไปรู้หรือไม่เข้าไปรู้กดกลไกลนั้นนี่ก็กกทำหน้าที่อยู่ดังนั้นเองในความยุ่งยากลำบากในการปฏิบัติธรรมเพราะเมื่อเราอยากจะให้ให้รู้ครับเราไปบีดตัวเราครับก็เกิดความทุกข์ชนิดที่ ไม่จำเป็นมาผู้ไม่รู้จะปฏิบัติธรรมให้เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นเช่นไปทรมารตนไปอดข้าวอดปลาข้าไปดีบังคับตัวเองให้อดลาบอดนอนทั้งคืนอย่างนี้เรียกคนไม่รู้ปฏิบัติหนึ่งแล้วไม่ช้าไม่นานก็เบื่อหน่าทีนี้อีกเฟสหนึ่งเมื่อได้ยินว่าธรรมะนี่มันก็เป็นเองแล้วไม่ต้องทําอะไรก็ยกเลิกไปเลยกลายเป็นไม่รู้อีกแบบ แต่สภาพใดที่เป็นสภาพกลางๆสภาพใดที่เราประคองอกลา ง, ลางรู้เห็นตามที่เป็นจริงเราก็พิกตาเรานั่งสูดลมรู้ก็ได้รับันมารู้พอรู้จะเห็นโอ้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในการรู้นั้นไม่มีความพยายามเลยถ้ารู้มันจะรู้เองเมื่อไดมันปลกมันจะปลกเองกคล้ายๆวัวเนี่ยมันเห็นยากจะเข็มกคิด กินกินเดี่ยวก็ไปัรงโน้นก็นอ น, น, นก็อยู่เราเหมืกันพอมันย้อนมารู้ตัวมันรู้ร่างกายนี้มันก็รู้มันก็รู้อันนั้นอัน น, นี้มันจะลื่นไหนก่อนนั้นไหนหลังไม่ต้องไปบังคับนับไม่ใช่ไปกําหนดให้รู้กันคิดตางให้เดินรู้กันคิดตา่างอย่างนี้ผิดธรรมชาติแต่เมื่อเราตราบไดที่เราเคลื่อนไหวเองกลับไปกลับมาอย่างนี้ แล้วไม่นอนเสื้อไม่เกียดคร้าส mm hmm. การรู้อันนี้จะถี่แล mm hmm. คุณจะย้อน ม, มารู้เห็นความประสานกลุ่มคลืนขอ ง, องตัวเราเมื mm ่อ hmm. ต, ตอนที่รู้ความประสานกลุ่มคลืนอถึง mm hmm. ผมจะไม่บอกลงหน้าผู้ที่ไปปบัติถูกก็จะรู้เองคือสภาพซึ่งเป็นเองนี่เช่นยกมือนีมันลอยขึ้นมาเองจะเดินมันเดินเองดูกระหนึ่งว่า ใครเดินให้หรือันไปเดินก่ับไปกับมาก็ตัวเรานี้เหมือนตุ๊กตาเนะีเดินตุตานลืหิวกินดื่มตายเงียบคู่แขนเข้าเหยืยบแขนออกถ้าในแง่ปฏิบัติแล้วผมพูดได้เท่านี้ครับแต่ถ้าแง่ความรู้กว้างๆ ว, ว่าทำไมต้องมาปฏิบัติอย่างนี้พูดกันไม่รู้จบ ดังนั้นจุดที่สำคัญที่ผมเองรู้สึกคือคำพูดชักชวนให้ปฏิบัตินั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเลยตัวการปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าให้ลงมือสังเกตเ อ, อีกแล้วพอใช้คำมาสังเกตเราจะเริ่มทำอะไรแล้วทีนี้ก็ไม่มีคำพูดแล้วข้ออธิบายทั้งหมดนี้ไหมครับไม่อาจช่วยเรามีคุณทําอะไรทึ้นเลย เมื่อเข้าใจแล้วก็คือตัวเรานี่มันเพียงจะชี้มาว่าให้เราย้อนมาที่ตัวเรา <c oughs> แล้วตอนที่ย้อนมาถูกตัวเราเองโดยตัวมันเองนี่เป็นภาวะซึ่งพิเศษสุดเป็นภาวะซึ่งหลุดออกจากสภาพที่ถุกที่เราถูกกําหนดโดยผมไม่ได้ปฏิบัติเพราะมีคนจ้องดูอยู่ แต่ผมไม่ได้เลิกเมื่อมีเพื่อนเลิกเพราะว่าที่มันเป็นตัวตัวเองแล้วก็มารู้สึกที่ตัวนี้เห็นอะไรอย่างจริงใจอย่างชนิดเทียวที่รู้ที่เห็นมันเป็นภาวะสดๆการเห็นมันก็ยังคิดอยู่แต่เป็นการคิดสดๆต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่เรางในตัวมันเองมันจึงเป็นภาวะที่เป็นตัวของมันเองอย่างสมบูรณ์ทั้งๆที่มันยังมีัหา แต่บัดนี้มันได้หลุดออกจากเงื่อนไขต่างๆของเวลาของสถานที่ของบุคคลจุดนี้เองที่เรียกว่าจุดที่ธรรมะจะเผยตัวแต่ถ้าเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือผมยังเดินเพราะเรามีตาตารางให้เดินดังนั้นผมเดินผมประจบเพื่อนนะครับกลัวเขาจะหาว่าชี้เกียรเกียร์คลาก็เดินเล่นๆทั้งนี้ไม่มีผลเลยนดังนั้น จุดเริ่มต้นที่สุดคือการปลดอิทธิพลรอบข้างออกคือเหมือนจะอยู่คนเดียวในโลกนี้จุดนี้ครับเป็นจุดตั้งต้นที่ดีมากเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตายดับดิ้นหมดแล้วเหลือแต่ตัวเองเปลือย เ, เปล่าเปลาแล้วไม่มีงานจะทําไม่มีเรื่องอะไรต้องทําดังนั้นก็เริ่มเริ่มสังเกต ในการเยี่ยวในการคู่ในการเดียดอะไก็สิ่งที่เรียกธรรมะก็คือตัวเราเราถูกสอนให้กระหายคุณธรรมกระหายศีแลแต่เราเชื่อมันเราต้องมีบาตรฐานมีศีลมีสมาธิแต่ตามที่ผมเข้าใจนั้นไม่ใช่อย่าไม่ต้องรักษาศีลเพราะวามาเห็นตัวเองตามที่เป็นจริง มันเป็นสีอยู่ในตัวคือภาวะใดที่มันก็ทำอะไรเคลื่อนไหวอยู่แล้วรู้เนื้อรู้ตัวนี้เป็นสีนไหมผมเพ่าเมื่อนั่งอยู่ที่ท่าน้าผมไม่พูดมากครับก็คิดว่าพอเพียงสำหรับคนที่ฟังนะผมอยากจะให้ใช้เวลาส่วนใหญ่คนเดียวเดิน เริ่มมี่หูตะดับจับฟังเรื่องราวความเป็นไปไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกข้างนอกข้างใ น, นแต่ให้ให้เริ่มต้นที่ตัวนี้มากเสียงลมพัดอะไรตื่นตัวเกี่ยวกับสภาพเป็นจริงนี่แล้วแล้วเราจะรู้เราจะรู้ตัวขึ้นบันทีโดยธรรมชาติสมันรเว่าว่าหลายปีแล้วที่เราได้ละเลยความเป็นจริงนี้ ความจริงที่ปรากฏจริงๆเพราะได้หลงพลัดเข้าไปในโลกของความคิดคิดจะเอาบ้านเอาเรือนคิดจะเอาบ้านเอาเมืองคิดคิดแต่การที่คิดไม่รู้จักจบนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของจิตทํางานได้ไม่รู้จักจบแต่เมื่อเรามารู้กับภาพจริงอย่างนี้ความคิดจะเป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่า ประเดี๋ยวหนึ่งเราจะใส่ใจนี้หูเดี๋ยวมาที่ตาเดี๋ยวมาที่ผิที่ลมถึงมันจะวนใหม่ๆมันจะ จ, จุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแต่นานเข้ามันจะประมงลประมูลหนึงขึ้นพันจะรู้สึกค่อยๆมีตาอันเดียวร่างกายทั้งหมดนี้เหมือนตาอคุณลักษณะที่ว่ารู้ตัวและไม่รู้หรือลืมตัว เป็นคุณลักษณะของชีวิตดังนั้นเราจึงหลับได้ก็คือมันล้มตัวมันก็ไม่รู้ตัวกันหลับตื่มันก็รู้คุณลักษณะหอลักษณะสองอย่างนี้มันยังสวนทางกันอยู่บางทีมันรู้บางทีไม่รู้แต่เมื่อใดที่คุณลักษณะสองประการของสิ่งเยนี่คือทั้งรู้ได้ทั้งรู้ไม่ได้ก็นี่ครับมันรู้อยู่รู้ได้แต่มันก็ไม่รู้อะไร บัดนี้เราไม่เข้าใจแล้วเรากลัวมันด้วยเรากลัวภาวะของตัวมันเรากลัวตัวมันเรากลัวเอ๊ะมันจะอยู่ได้ยังไงนี่ทั้งรู้รู้แต่ไม่รู้อะไรนี่มันจะกินอะไรเข้าไปมันจะมีชีวิตได้ยังไงเราไปถามถึงมันคิดขึ้นมาแต่ถ้าภาวะที่รู้ได้และรู้ไม่ได้นี่ชอบแล้มันเปิดเผยตัวมันเองขึ้นอย่างแจ่มชัดขึ้นปัญหาความสงสัยมันอยู่ยังไงไม่มีเพราะต่อบคำถามที่ว่าเราจะอยู่ยังไงนี่มัน เป็นมายาท่านั้นถ้าใครจะถามว่าผมจะอยู่ยังไงหลวงพ่อเองจะถามย้อนว่าก็คุณเคยเป็นอยู่แล้วอย่างไรเรานี่กังวลมากกับความรับผิดชอบต่อการเป็นอยู่อย่างไรแต่โดยที่แท้จริงมันเป็นอยู่แล้วยังไงนี่ทุกๆวันมันเป็นอยู่แล้วยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ที่จะถามว่าเราจะอยู่อย่างไรในอนาคตอ่ะแล้วเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้ ที่แล้วมานี่ยทุกตัวหนึ่งเป็นอยู่อยู่นั้นก็เป็นอยู่อยู่นั้นนุ่งกันเกงทีละตัวใส่กระโปรงทีละตัวกินข้าวทีละคามันก็อยู่วันนั้นเอแต่สิ่งที่เราทำถึงเป็นมายาแต่คิดขึ้นม่าเออถ้ามีสงครามนี่จะเอาทรัพย์ไปเก็บที่ไหนคนนั้นตายเราจะอยู่กับใครทํำยังไงมันไปคิดขึ้นเมื่อคิดขึ้นก็วิ่งวนไปตามอะไร ใ ห, ใหญ่ที่ตัวเองชักไว้เชา้าค่ำจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราไม่พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆคือเราไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆสักทีหนึ่งเราเตรียมการที่จะมีชีวิตที่ดีในวันนี้นละมาที่นี่เราก็เริ่มใช้ชีวิตจริงๆงให้ตัวชีวิตมันเผาผลาญตัวมันจะเรียกว่า คลานชีวิตเล่นโดยรับผิดชอบอะไรเลยเขาว่าได้คแต่การกระทำอย่าง น, นี้มันมีเคล็ดอะไรที่สําคัญอย่างหนึ่งด้วยเพื่อความรู้เน้ตัวนี้ต่อเ น, นื่องมันดีแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าถึงเราไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่มันจะเกิดภาระรับผิดชอบขึ้นเองคือความรู้สึกที่สิ้นเวรความไม่เบีดบีนความไม่ต้องการอะไรมากมาย ในทำนองที่ต้องเบียดเบียนผู้อยูนนะ่เป็นความรับผิดชอบที่แท้จริงต่อภาพสังคมทุกวันนี้เราหวาดกลัวที่จะต้องอธิบายกับอื่นฟังหรืออธิบายตัวเองฟังลรวกลัวต่อความคิดของหน่อยพอคิดเขาคิดติดเท่นี้ก็ค่อยๆเหลือแต่ผู้ที่ยังสงสัยจริงๆนีครับว่ามันจะเอากันยังไงเนะี่ย มโนนยาการแต่งความรู้สึกองการเคลื่อนไหวโดยามรู้สึกโดยการรู้สึกตัวที่ทาให้เคลื่อนกับตัวที่ทำให้เห็นมันไม่ต้องคิดกับเือที่เนเรืย มันแยกชิ้นยาแล้วนั้นเราต้องการข้อมูลเพืการแยกเนียตอนภาคปฏิบัติแทนที่แยกแยกรูปรวมหมดเลยตอนเราเรียนภาคทฤษฎีนี่เราแจกออกเป็นรูปเป็นนามเป็นขันเป็นอารนยแจกออกเพื่อสำเร็จประโยชน์ในด้านสิ่งศาสนาในด้านทฤษฎีท่านติต่อเพอตอนภาคปฏิบัติเนี่ทุ่มหมดเอาเอาเรื่อจริง แยกแย น, น, นักพฤติกรรมนักทยจกเพื่อจะหาประโยชน์จากมันเพื่อจะนโน้จปจที่จะสอนกไต น, นี้เราไม่ทำอย่างนั้นถ้าทอย่างนั้น่ไม่นักปิบัตอยนี้นนักจทยานักพฤติกรรมมาแล้วถ้าอย่างนี้เราฝลังทํานเยอคือต้องการประโยชน์จากการเรียนนอันนี้เราไม่ต้องการประโยชน์จากการเราให้ด้วยเห็นแล้วก็ที่ ทำตัวเองใี้เป็นฝุ่นอะไจนี้นันน้นถ้าพี่จะเรื่อนของนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติรรมแตกต่างนะญาตแตกต่างนะพัชญาเมตินแตกต่างนะนักปกครองแตกต่างงันเี่ไแต่ก็ทุกคนเนี่ยป็นนักิบัตรรมไม่ว่าเมียที่จะไนนนักสฏิบัตรม ร, ตรมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทอผืนดินเพื่อชีวิตใหม่ ใน่ารปฏบัติเพือทุ่มขันท่าหน่อยนะแต่ว่าจะทุ่งอย่างโง่โ ง, ง่เขลาเนะมันก็ไม่ได้มันต้องรู้ต้องเห็นใช่ไหมดังนั้นเราตัวนี้เป็นหลักนักปฏิบัติจะไม่ทําดูแบบพกสมุดพกไปด้วยนั่งจดนั่งสมาธิเกิดอะไรจดอย่างนี้นักเป็นนักจิตวิยาหาประโยชน์จากการศึกษาด้ว อ, อันนี้ทําให้ตัวเองนี่เป็นที่ฝุ่นดังนั้นนะครับนักปฏิบัติทำจริงกินยังไงก็ได้ นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ได้